นโมตัสสะภากาวะตุวาระตสัมมาสัมพุทธัสสะอาธามหาสันตุในกาลนันหูใจพ้ามหาสตาราศีปสันร้อนไรปันไปมา หันยาราจามาทีผ่านแผ้วสยอบตาวแล้วตั้งยืนหัวใจปึ้นเดือดร้อนตุ้งโสคอนกายากลคุณน้ามีหมากอดํำบากเลือใจมีอะไรเลิดแล้วพ่อว่าหันน้องแกวต่อตอนตาย ต้านอนงายตีไกแต่บาดทไยทอราณีผ้าบุญมีตันมีเศษเบาตั้งเตศนิหาเอามือจั์น้ำตาจ้าใจไปอยู่ไกลเล่งดูอามันที่กูตายแต่หรือหวานแล้ว เจ้าก็ยอ่อหนงหนาไทยขึ้นปาดไว้เนื้อตาเต่ายินรักข้างคอยผ้าโยสยบุญมีจริงกล่าวว่ามันที่เฮยน้องนาธานาตีนีเบากุนางแกวราดมาไทย เจ้าก็นำมาผ้าภายกิดเก่า ว, ว่าลูกมาตื่เจ้าแม่เนื้อวันขิงกูของจุมปูเบามีมภผยเพบใดลูกมาโตแกหนาไทยแม่บูตอง ลูกมาต้อนแม่บูกังน้องเฮ้ยซอยกี่ลูกมาปากตานมีสิ่งหวานลูกมาคานต่อปีอันบีให้ไปแม่มึงนางปีก็มาค้างอ่อนเอให้พัแเทไปมา เจนน้ำตาซาสุดฝุนดุงแล้วแลลนไปหาภาคาสันธาแก่นไข้กึนได้แล้วใจมาว่ามันที่กูตายแต่รือรู้ว่าโปแผ่นาลึงคิงนี่จ้า กันว่าเจ้าข้านิ่งลู้เรียวก็เรียวกวันแก้วแม่นางเมืองว่าสิจอมจึงเฮยเจ้าปีเบาใจตีแม่เจ้ามาตาย กางดังได้ป่าไม้กวันนางนาไทยจุงขึ้นมากวันชีสุภาจุงขึ้นมาต่อเจ้ากวันเจ้าแม่ยาฟังฟ้ามืองอนกวันเจ้าอยาไปขึ้นอยู่ดังดอนป่ากว่างกวันเจ้าอยาไปอยู่จิมแรมจ้างเล่เสือสิง กวนเจ้าอย่าไปอยู่จิมบูก้าถึงทเกิตกากวนนางอย่าไปละเล่นเดินดาวกวนนางอย่าไปอยู่จิมคุ้งข้าวทุวน้อยน้อยกวนนางอย่าไปติ้นหอยอยังป่าไม้ไก่ทาตุระตุอย่าไปอยู่ยัง หนาป่ากว้างกวัานางอย่าไปอยู่เถินจ้างติยุมขอข้างดาวดอยกว่านางอย่าไปทิ้นไม้เกฟ้ฟอยร้องอยู่วอยติการเถินทำอากาตูอย่าไปอยู่ยังป่าไม้โดยเจอพมเสยัน กวนนางอย่าไปแสนลาเล่นจิมแม่ยักษ์่ีแขนอย่าไปอยู่กำด้วยเปินเสือยันพีเสือหอยกวนนางอย่าไปอยู่จิมป่ากุยแหวหาจ้วยตีวังวี กวนนางอย่าไปสนุกสนิในป่าป่าเนน้ำเหล่าไรคือป่าไมหิ ม, มาปานป่าทีา่นั่นเป็นสันทานป่านี้ลาล อ, อยกวนนางอย่าไปอยู่ด้วยเปิืออีคอยแล้วหัวกลางนาง โอ้ยโอ้ยนอลุงมาต่อควันสีสอ บ, บอเฮ้ยลุงมาต่อเจ้ากวันหูนางอย่าไปสูกเศร้าแอวเวันอย่าไปเรร่อนรำร้องในแห่งห้องหิมมาวัน จุงรีบมาปั้นยาอยู่กั้นหูนางอย่าไปแป้นแม่พึ่งแล่แมงปูบินบอลกั้นหูนางย่าไปวิวันร้องไห้ในป่าไม้ผู้ดอยกั้นหูแม่สีดำมอยอย่าไปสุ่งสอนกั้นนอนน้อยแม่ยาไปซ่อง กวนนางอย่าไปอยู่ยังฟังสร้างกินหนอไม่กวนนางอย่าไปกังไก้แอวเสวงกวนหูเป่งอย่าไปตื่นแม่นว่าไปตื่นก็ฮือปั่นมาแม่นว่าไปอยู่รูพาก็ฮือปัน่นเต่าเข้าสู่คาบเก่าตอนนาง ยาฟังวางใจจากความนาผาเมือมวนตันตีนี่แป่นดองดอนป่าไม้ดังเรือนางมาลาปีไว้อยู่ตอนเดียวบัด น, นี้นางปล่อยมาตายในดองเขียวเชินทองปีเบามีเปิืนป้องปอสอง กูปีจังคองด่าฤดัไยไผจังมาจอยพาไม่เป็นรูไผจังมาจ่อยตุ้มเอหูนางกำา้าขวัญไดจังมาล้างหนาออง้าแม่อุดมไผจังมาวิพมแปงเกลดเกา่าขวัญไดจังมาอาบนำ้ำเจ้าแม่จอมมึง ขวัญได้จังมาพาดาผอมเรื่องยาใหญ่ไัยจังมาผ่านต่างใสสองหูไัยจังมาแปงผู้ร้องเสอไว้ไัยจังมาให้ไปแม่หึงนานอีจาอุ้ยนพี่วนางมือ ตายในานากลุงมึงหมิงปีน้องขินกันมาตุยนาการาเมืองสองอันเ ล, ลื่อลำก็ดเด่งว่าจังมองมันซ้ำห ม, มิงวอน คือว่ามึงจิตุตรานกรแลเมึงมาตาราตอันแปนเจอจารวังสาตั้งพิตามาดาเล่นเตา่าอคนอยู่เฝ้าสงสาา ปังปายสานจังมาตั้งหมู่ายิิงใจขวัญตั้งลยเหลือเละตุ้งดาวแต่นานาตั้งลุงตามีมากจันเจอหากหมาโมนเขาก็จังจุนกันมาแปลงโกดแกว้วติ้นปอกแล้วคำแดง ผ้าดาบของแปีย ง, งองอาจคู่ปีจังฮือเปิ่งแต่งหางภาษาสตร์ปร่อกลางตั้งสองมึงจังฮือเป็นมาหาปางอันใหญ่เต็มรุมเนื้อนองใสหาสาดีลิง ของข้างปิ่งภาษศาสนำเต็มวาทซ้อมสีคือวารุปราจาสีและจามารีมอมใหม่เห็นน้อมป่ายบินเครองปังปอนเจอหลายหลากตึงรุมนอกจากาป่าแลห้องซา ตธอรูปคุณขาราเลียนปายนอกข้นหมายห้ซาดีหนึ่งกาลาปินจริงแข่เตาสองปีเป้าเขียวดีกินนารีนาร้อนอย่าง้อนหมายติ้นอ่อนหากัน มีหลายพันหลายหลากตั้งหนักน้ำหนากีตั้งห้าทีตั้งมาหลายหลากนาเสื้อสิง่งมีตั้งรูปผงยิ่งงามสาเลมใจจุบแกมลุมใจลูปมีค่าไหลเรร า, ราราดคือวันวาดดูเปล่า ดอกบัวขาวสะอาดภาศาเก้วแววยุงกองลู่สุ่ไรจันไม่แก่นคันจันแดงไม่สมุราเวียงมันสาสวาดภาสาเก้วลิงลาย มีจึงใจสะอาดน้ำเตียมบาทดูเป้าดอกบูขาวยอหวางแมงปูสว่างบินบนอลเควันสรนแสนสิ่งขายแก้วหญิงตุ้งไปใบไร้ายเจอจอดค่าบอบคมพีจังใสบูไถ ข้าบอม ง, ง่ายปีจังใสบุเอีย้านาเตียนปีจังใส่หลายวองตีริมป่าทุขังปี่จังเตียมรูปนกขังแลตว่าได้ยืนอยู่ไกลถือดอกไม่อยู่จอดลดน บางควันปีจังเอือถือจามมอนไคว้กวัดแกวกงบางควันผีจังเอือถือชาติกัางต่งพี่ดานกางบางควันผีจังเอือถือหางยุ่งงามย่าหยาดดูวิลาดดวยจาม ใส่จรดอนย้อนหญิงไต้ฟ้าคิงดูคานเผือจังสังสาการนางงามแก้วปีตุ้งดาวมีเจอจร ยังขุมขันมุนหมู่บาเศร้ากูยิ่งใจผีตั้งอือขันตัง้งหลหมุนเล่นฟ้อนดีดแต้หน้อข้ายงขันถูกยินดีมาตีปาดกองเพรีปันดอดีเป่าท้องเสียงติ่งตองนอนตรี บางคนปีจังเอือตอบมือตีต่างเสียงปีจังเอือเพิินแต่งเล่นหลายภากานโดยอันสอ่งสาทานดังนี้แล้วปีจังแต่งไฟมาแก้วหลุดหญิงบัน หันวันตอกปีจังเตียงรูปคันถือไฟย้อนขี่จ้างเลียนขึ้นมากกองป้อนปายหอนเอือปีจังเอือเปินเตียงรูปพญาท่อนเล่นางฟ้าขึ้นขี่ม้าซโดรน หูก็งอนน้องก็อาหนังว่าจังขี่ขึ้นฟ้าก็เบาหอนแล่นขึ้นซาสันสาสวาดัดขึ้นจับของภาษศาสย์ไห ว, ไว กันไฟจับจอดแล้วไฟมาเกลลดหลองมายามนั้นนางที่ว่าดาปล่อยเล่นขึ้นจ้อแต่ปืนขันไงไฟสอนสายเป็นโดกปลายวันออกปีจังแต่งไฟเขาตงแล่ไฟคี รูปมอมปีตูเตึกจังเอือไตเจอขึ้นจับของไฟรูปหองแล่นองยุงตูมีปีกขึ้นป้อนปีกการลัง ไฟกลางหาววันพัดปั่นจอ้อหลันขึ้นเรือรายกวนไฟพายจะโจดไฟสรวนขึ้นกลางหาวปานดังดาวอย่างฟ้ายามนั้นผีจังไงหญิงหน้าเล่งดูขึ้นผ้าปูต๊ลรองมาผ้าผ่าปานกาบือบินจา ปิวไฟงามยอมดอกป่านเข้าตอกกำไพไฟ้างายดอกน้อยขีดอกซอยสอนสอน้นซาปกลอนรูปเตีกไฟมาเกวแยกเป็นปิวกอนไฟเขียวตีจอ้ามานกับอาหลังจากบินบอล ลำพีสิ ว, วันพาดปันเก่าแป่นดังจังยอกเอาพาสาเจ้าแม่เมื่อบนดังวานางมือตายในเมืองควันใหญ่กว้างผีจังเอือบินแต่งสร้างสองสาการ แป่นผ้าม่านดังนี้แล้วจริงจังได้จือว่าสังสาการเกี่ยวแม่นางมึงเล่นาบันนี้นางปล่อยมาตายในดงลุงป่าไม่เบาาแมงจังมาต้มไตใสหนึ่งนันกนะูปีกม็มเบาหันควันใดจากมาไก แดนติงวาจังล่าแม่ไว้ก้าดังแตบดินายกูปีจังหลอมได้ดูเป่าแดนติงวาจังเอาหูเขาแจดนำตาจังกะตำสามาทาดารืใดก็เต่าจังร้องให้อยู่ริรอน อันนี้ก็หากเป็นกรรมจันนังเกี้ยวจิงกาเกี่ยวมารณาจาเลพติดูรานางใสใจเฮวยแว่นฟ้าดังหรือนางมาลาปีไว้เป็นกรรมฟ้าอยู่วนค้าง ปียาเบาใจปีจังนางจำจากเบาร่งหากคำไปกลางดงไฟป่าไม้คือแก้วแขนไขปีมาตายกูปีกอมเบาอาจังตรองตอนใดอยู่ใดพ่อว่าแสนสศกไม่เหลือไฟ กูปีกึ้นถึงนางใสใจจินจากอันเป็นกำรร้าภาตายไปและนาดังว่าพยาสันใจตอนป่อขกึนใจต่อถึงเรามาน้ำเอาเมื่อสู่ในแก้วปูของมือ หน้า่อนลงเรื่องใหญ่กว้างคำตาน้างคูรียานั้นคูเบาเมหันหนานางหนอลาอินทานเหตุว่าตุงสงสารมีมากคือว่าตุงอันใดปันหาตอนนางนีนอ ป่าหูจานาเมื่อนั้นขวัญตั้งหลมุนมากพร้อมตุ้งปากจังถามว่ามันที่งามจึนจอยตั้งลูกน้อยสองสีเบาหันมีอยู่ไกลปั้นพังผ้าที่ไวไปไหน ยามนั้นกูปีจังคำานางใสใจเบาใดเต่าจะกำน่าให้ก่าว่านางตายนางตายจ่าเลอุ้ยนอแก้วแกนไทยแม่สุภาจงขึ้นมาต่อเจ้าขึ้นมานาั่งอยู่เฝ้าศาลา ขึ้นมาจ้าต่อปีขึ้นมาหนุ่งพาทีหลายวองพื้นสอดห้องรวมเงือกตั้งเสื้อเผกอหลายเคอขึ้นมาเออจ้าต่อปีปากรอปีสิงวาน นางจอมกวนเฮยหน่อนเน่านางยาลาปีไว้สศกเศร้าใจมองนางคำผ่องเฮยแ่นฟ้าลูกมาสวยหน้าแม่บรนเลี้ยวลุกมาต่อนางพัมขิวเยน้องรังปีลุกภาตีมาปัน ลุงมาต่อนางจอมกวันเฮยลูกมาต่อเจา้าลุงมาหาลูกเตาจารีและนางกันหาลุงมาต่อสีสุภาเฮืยยอดเย้มสองฝ่ายแก้มดังคำแดง ลุงมาแฟงตานปีอันบีให้ไปแม่เหมืนนานลุงมาต่อสีขิงบางเฮยหนอลาลุงมาถายเสาพาแม่พื้นดีลุงมาวีพเมกิจเก่กาลุงมาต่อเจ้าปีบาเบาเบื่อจังนัง ปีเบาจางเบิดจานแม่คำแสนล้านแล่แก้วแม่แสนตังไปแอวเสวงหาคุ้งกางก็เบาได้ไตหลุมฟ้าทีบจุมปูไทยจากเสมอดังแก้วบุญจูนาดน้องพําตัวห้องลูกกา หาไผจังมาผีติมใดไตหลุมผ้าเบาเหมือนนางจากเสมอดั่งสีขิงบางยอดแยม้มสองแก้มดัง่งคำแดง ตูคิงแวนลึงเหลบเอวน้อยแอบซ้ำกันเหมือนดังสาวสวรรค์จัน้านางปล่อยมาความนาแม่เป็นพีลุงมาต่อสีสยสยห น, าน้าหน่อลุงมาปากการรอจันจา ลุงมาต่อสายสินีหาเหฮ้ยหน่อเนาปีโศกเศร้าก็เบายินลืมลุงมาต่อสีพึงใจเฮ้ยตีหอยลุงมาจ้าหิงอ้อยสิงวนันลุงมาขันสิงหมวนลุงมาปากเสรวนเอาใจ กวันหนูนางอย่าไปไกลต่างห้องกวันหนูนางอย่าไปเขาต้องแม่ขวันใดลุกมาต่อแกวสาใจเฮยจุงขึ้นมาหาคาราขาบเก่าขึ้นมาเหล่าสารปัน้น ปีกอกงหันแต่เจ้ากี่กันหูเจ้าอย่าไปดีอยู่ตันใดแม่นว่าล่องหันไปไหนเถินทมตียาน้ำแม่วังเขียว คือรีมเรียวมาอย่าอยู่แม่นว่าควันหูนางไปแป่นแม่พึ่งแลแมงปูตอมร้อนหมู่กันทางแม่นว่าควันหูนางไปแป่นตีว่าดาอยู่ฟ้าก็ือไหวหน้าขึ้นมา แมนว่าควันหูนางไปโตกองกาตำไตยอยู่ด้วยคุณนาไทยหมู่นากาหื้อปั้นมาขึ้นเหล่าสู่าบเก่าตอนนั้งอย่าฟังวางชี้ใจตายจากคาอย่าฟังความนาเม่ไปปลอย ควันหูนางอย่าไปอยู่ยังดอยเถินทำควันหูนางอย่าไปอยู่ยังอยากนำโวยเปิ่นผู้ปา่าควันหูนางอย่าไปอยู่เกศก้อนหินทางงาบงางควันหูนางอย่าไปอยู่ด้วยหมูจ้างแม่ปังไป เจ้าจุงมาสุขสาบายหายสุขเศร้าวันหูเจ้าเมียไปอาปุวิตาณแสนาสุกกายต้องจุงขึ้นมาสู่ห้องสันดานอย่าริมเอานี่ปานนอนตีเจ้าตีหอยใส่ใจ สีน้องไหวเฮือเหลือลำ้ำแม่นว่าควันต้องน้ำปีก็จกล้องงำแม่นว่าควันหูนางโตงเปิดตํ้มปีก็จกล้องปัน แม่นว่ากวันหูนางเข้าสู่แผ่นดินหนาเจ้จันปีก็จะเอาสิมไปคู่ตีนั้นเอามามาต่อกวันนางฮือเจ้าปีวานอยู่ใจใจเจ้าก็ร้องให้เรกวันนางก็มีเหมือนนั่นแลย อุยนอตุ้งขังกูนี่นอตุ้งเบาใจน้อยกากาดกายู่ตอนเดียวนี่นอหวานหันเละแม่นว่ามหาคาสตอนผ่านแถวตอนแก้วเกิดใจขี จิงซ้ำแปงสติดีมันนั่งอยู่หันแล่งดูว่ามันที่กูตันวิีเศษกานาเตตายไปเบามีใจอยู่ห่วงก็จังปั้นถูกตองหันท้า เจ้าก็ยอมมือคว้ามาปาดเหนือองนางเต่าราตรียามนั่นใจนางมียังอุ่นมาหมุนตองมือตอนเจ้าก็นำตอนกันตีมาผ้าพันลูกนานังอยู่ท่าล้อมดูอันเล ในเมื่อมหาสตาราศีเอานํำตอนกันติมาฮอดหล่อใจนางหม่อขึ้นมาดยติจา้าศีลาเจ้ามากังถึงทวงหากผ้าวานาตอนเจ้ามาอยู่ป่านานว่าใดเช่นเดิน เสริญมาบวชสร้างผ้าหมดแผ่นทีก็เบาถูกตองตอนางมั่นทีสักเตย้อนอันเจอในบุญนันเละมะติพีโคทุกังกาลังวิตินาแมตวาตารากากุหิงกาตา ่วนวานาราจามาตรีสีจึงชอยยังอยู่น้อยหนึ่งเลี้ยวจึงขึ้นมาขาปาตาพาบาทเจ้าถามหาลุงนอนเอาสองสีว่าข้าเดมมหาราจาเจ้าเต้าไปสีลุงเต้าราไหนา สองสยใจปีน้องแก่รำต้ อ, ตองเบาหันมานิจา่ามหาสาตุปีส่วนมหาขาสตันบุญมากจิงปากตานจินจา่าอย่างวัจนาคาถาจึงจอยกำลวยนางหลุมน้อยมาตี อันว่าสองสีงามลูกแก้วปี่ก็ได้ตานแล้วแต่วันว่าอันว่ากุมมาราตั้งกูพามเท่าปูนำไปแล้ยวแล่าตามทถังปากาสินถุสะท่า สถาสาปัญนอยู่พาพุราเจ้าจังสามแดงอัาปาลีปังเมือนางมันที่สีหนุ่มเนาอันจาเดินหาลุงเต่าสองสีแกกีรีปาไม้ตุ้งแหล่ไรดองไท คือแจงใสสุจิตเกติเวแดปุถุชนพาตาสาปนตันอยู่เก่าพาพุระเจ้าเก่ากาทาวา สจาปะตังราจาบุติงอุตากีนาพิสินจิตาสถ า, านังวิตตวานาธานังอิตตาตาปาวีดังนี้พิงคาเวดูราพิงคูตั้งหลายจุงจังฟังนี้ยายบูปาจาดเตหองมาตาราทอันดี ส่วนว่านางมันที่สีสะอาดอันแป็นเจอสมนตาราสืบสายมานางก็ไปพิจารณ า, าส่อใสเขาป่าไม่เดินหา ยังสองบูตาไหลแาห่งนางเต้าเตียงขึ้นมาสู่ศาลาแก้วคูในที่อยู่เจ้าเวสันดนนางก็สยำ ม, มือมวอนใจขาดไก่ผ้าบาต้าบุญมี พาราสีเปื้นปังเอาน้ำทังภายตอกมือลูกออกมือจึนนางเต้าตื่นขึ้นมาจิงทําหาลูกเตา้าสึงพาบาเจ้าผู้ทรว่าข้าได้พาเวสันดอนเอ้เจ้าคอยเต้าไปสีลูกน้อยราไหน สองสยใจปีน้องเบาหันมาเป็นเปินป้องอยู่ศาลานีจามหาฆาสต้อนผ้าเสร้แเสียงบังเกิดกาถาเป็นวาจาไข่เก่าฮื้อรูข่าวอันมี ว่าพติดูรานางมันฟีสีสะอาดอันว่าสองเจ้าราชทุมันปีก็ได้หื้อตานกว่าแล้ววปือแป็นขา้าเก้ยวปั่มเรือนพามแต่ยานางเบาอยู่พามเท่าผู้จ้าดินไมยู่ในวันวาแล้วเล่ ยามนันน้นนางราชามัตรีศีอาข้าวตานตอบเต้าวถวายสันวาคาเนผาผู้บนันเยติไว ย, ยามเมื่อคาร้องรำให้รันหายังสองบูตตาลูกแก้วขึ้นรุ่งแล้วแหลงมา พระราชาเป็นเจ้าตานุเทาเก่จีพามป้อยเบามีกำงามบอกขาอันไหวานามารรมนี่จาเมื่อนั้นพระมหาสัจเจตตอนสังสวดก็กล่าวเป็นอุวาทกะา วอาตีเยเนวตีมาติตุขังนาคาตุมีชีสังตาริโตยากะกุฎุพระมโนคารามาคาตูดังนี้ดูรามันที่เฮยนอไทยปีบอเสียงลาไวด้ดีดี ยามหูที่จัเก่าโยวาร้อนผ้าเผาใจนั่งยามเมื่อนางติวตังมารวดอยู่วาจะร้องให้หอดยูหฮายังมีพรรมนาลำบากตัวไรอยากแฉนใจ เบามีอันใดสักสิ่งตูกแต่หญิงปานตายมันของควายลิงปากเข้าลำบากรุยแรงมันเดินเสวงป่าไม่พออาตุไรเบากูตายจริงซาไปทั้งออกเขาคมเต้าลุงแต่บ้านมันมา รอสาลาราปีน้องมาขอเกี้ยวลำต้องตั้งสองปีซ้ำป่องเอาพยาซาปัญยูดุงวีเศษือเป็นเหตุนำมา ลุงรักราบเบาไว้พอดไปให้แป่นตา้านแก่พรฒนาจานผู้หนึ่งแล้วเปิดแป่นขาแก้วปั่มเรินมัน คามจั่งปันน่นหนีจากเอาสองเจ้าผากไปไกลแต่เมื่อนางใสใจไปตั้นมารอดเบาตั้นมาอุมกอดจยจำเบาตั้นมาปั่นกินน้ำแล่ดำคายหมอมเบาตั้นมากอดสองเจ้านังเหนือตา สองบุญนักพี่น้องป่อมมันมองมองไปนางจุงตนาไหลขาดไหมอย่าได้ให้นางแจนอี๋ดีข้อว่าสองราเป็นราศีอยู่ดอรีปากว้างอยู่เสพสร้างภูที่สามปัน ทุงสำรา้านตุงคำเจ้าเบาโศกเศร้ากลาวงวันกันว่าตอนเบาตายมือนาก็เด่นติงว่าจังได้หันหนาลูกกำพาตั้งสองเบายาจาเล มาตีดูระนางมันทีอันว่าซาปุริซาตอนดีมีพียันยาจอกมาสู่ในตีอยู่ถรมขอก็พึงยอกยอโดยง่าย จ, อจาย้องใจฮือแป่นต้านตั้งเขาสานเลขาเปิกแต่งแล้วเลิกตุ้งอัน ตั้งวันคำตั้งมาตั้งหมูค่ายยิงใจกนลของควายตอกแต่งแรนแล้วแบ่งแป่นตันนางจุงมีใจบ้านึ้นถูกด้วยกูปีได้ฮือลูกเต่าแป่นตันโดยภาคานดังกล่าวมานีเถอ มาติปิโคโส่วานาราจามาติศี ส, สะอาดได้ยังอุบาทกันดีแห่งพาราสีตันผ่านเผาอันภาศาสือลูกเต่าแผ่ตนตัน เบลแลกเอาผยาซาปันอยู่ตันยานเลิดแล้วนางนอกแก้วจังอาโมูตานายังปารามิยานอันยิงนังเต้าจิงเกากาทาวา านุโมทามิเตวาบุตาเกิตานามุตมังตาตาจินตังปัสาติพิญญาตาหนังตาตูภาวดังนี้เตวะข้าวัยมหาราชเจ้าข้าก็น้อบนอบเก้าานุโมตานา ยังปาลามียานอันยิงสิงเต้ามิงจมหูเจ้าตอนพูดแล้วยังลูกแก้วแผ่นตันด้วยใจบ้านจิตเจอลืมกว่างเพื่อใจบ้านเต้าหืดตานไปแล้วคูนซ้ำหือตานเหล่ายิงกว่าเกาไหลปางเดือ โยยาจาตังมาชิราพูติสุขาไวมหาราชเป็นเจ้าตันผ้าเสิดล้ำขันเกิดเนอดินมีอาจินอันคาณียอมหุมมยียังของเบาปั่มแปงปองอนนื้อแนลมีพระจันเปดีลี จิงจังือสองสีลูกเต่าแก่พามเท่าแป้นต้านเจ้าจุงมีใจบ้านต้องตื่นเริ่มสายจืดยินดีแด่เธอเบิงบันพาราศีตอนจอบเก่าแก่ตอบนางแก้ววดุูรามันที่เคยผู้เท่านางป่อยเก่าฉันได พี่ว่าเราเบามีใจเพื่อกวางอาสาจันก็เบาลางจังมีคือว่าปฐมีไหววันสนั่นกองไปมาก็มีและยามนั้นนางราชามทาที่ไขบอกโลดกล่าวออกไลอัน ยังอาสาจันนั้นเหล่าว่าคาไดพาเจ้าพาเวสารนดลเมื่อคาเข้าดองดอนสเสวงกว่าไปสู่ป่าเมื่อ ย, อย่างวันยามพองหาหูมันแลลูกไม่อาสาจันเกิดไว้หลายภาคาน คือว่าแผ่นดินด้านไวหวันเสียงกองปั่นถึงพมสายฟ้าจำยาวเมียเสียงร่องเหีบยบดอยคางตีว่าดาวางใหญ่ยาแต่อากาศถึงท้องตีว่าดามีทรงหมูย่ายาอยยมอยู่วิมานคำ เขาก็มากระตัาสาทุการชู่วอตุงหมูกองจำบานหมูหนึ่งจือสีสำปานน่ารวดใจแจ้งจอดอนุมูตานาะหมูหนึ่งจือกูตาปะปะตาตีว่าดาวีเศษน้อมผ้าเ น, น็นาเล่งดู ไข่ป้าถูผ า, าสาด ร, ร้องเอิญอาจจำบานซึ่งผ้าองคารันเดิดแล้วอันเต้าผา้าสาดหืหลกแก้วแป่นตันเปื่อแหลกเอาผยาสาปันอยู่ตันยานดูงผ้าเสื้อได้บังเกิดเป็นคู่แล่นา อินตูจานวาพยายนตันเลิ่ลลำกมขาบซ้ำเจยจมตั้งพยาพมตันสักสวัสดตั้งผยาสุมาราเลพยามัน มีใจบ้านลำเลิดพญายอมเกิดยินดีพญาเวสุวรรณมีใจจ่นย่อมือยืนสาทุกันซึ่งอุตตมาตานั้นผ่าเสื้เกลือหื้อลูกแก้วเกิดแป็นตัน เป็นการนั้นกาตํอยากอันพยาเวสันตาราเจ้าหากสารตานวันนั้นเลตามะทังปากาสินตุสัทธาสัทธาสาปัญอยู่ตอนเป็นคู่ไตรโลกผ้าจังไขยา ป, กปาุกบาลี ปังเมื่อนางมั่นที่ตอนน้องอาจอันเป็นเต้ามาตาราดบุญเลิงนี่สมึงมาอยู่ในแก้วกสาลาจังกะตามานูมูตานาจุนจอยซึ่งอันเหือลูกน้อยแผ่นตนัน พาจังไขสกาพิมานแจงจิตเกติเวทและบูทุจน์พาตาสาปนตันวิเศษอืรู้เหตุปารีก็ก่าเป็นชูนิยากาทาวา อิติมติวราลุหาราจาบุติยสาสินีเวสันตารสานุโมติบุตเกตานามุตามังดังนี้พิงคาเวดูราพิงคูตั้งหลายตอนตรังสินสายบุรียาติอันเป็นขีณาสาวกจัดอาราหันตา ราจาบุติอันวานาราตามาทีตอนเป็นลูกสาวสีพญามตาราชมียสาอาดหรือสาชุ่มโซภาพ้ำคอจิ้วกอมบาทติ้งพ้ำลำคอกมเป็นปองแม่นเบายองก็ห่างงามหรือสาว นาตาเป้าสะอาจใจขาดติ้งตายลางพ่องลืมเรี้ยงไงไหายอยากเข้าพ่อหันรุมเจ้าจำบาน <c oughs> นางก็อนุโมตานาตานผ่านเพาโดยอันภาศาสตร์ฮอหนูกเต่าแป่นตัน สมปานมีก้นเก้าตราบต่อเต้าถึงพอมก็มีโดยนิยมดังเก่ามานี่และมาตีปาปังนี่ที่ตั้งขียาสังวันานานาวิเศษจ้าหงเยตมาตี อันมีกันเรื่องเบาเศร้าอันพาพุถาเจ้าหากติสนามามีกาถาว่าได้เก่าสิบตัดการัตจบูรามน์การะคุณมาหลอดเจ้าซอยสอดต่อไป ฮือสัทธาตั้งหลายฟังที่ฮือได้ไว้ใจกี่ฟังไปสัทธาตั้งไปในเล่ไปนอกฮือได้ย่องสองสอกดาฟังเราตู้ลูกลุงตีไกามาฮือพอปังย้อยนาเอาใจว่ามาทีสนา จากจิงหม่ปุ้นดูนามารดของสิบสามนี่ตอดแถวมาหันสะท้าน้ำมากตุ้งผู้หากมาตานันต่างก็มีใจบ้านบ่อเศร้ า, าตานปางนี่เข้ามาตาันบ่าเศร้าขัานเบาเศร้ า, าร่างแถวเท่ามาบ่น จนกันมาสร้างแต่ต่างที่แพลเป็นกุ้นว้เป็นบุญไปหนัาขึ้นสู่ฟ้ามานิรปันสิ่งเลสถาตั้งหลายเฮ้ยตุ้งคูมานั่งอยู่ฟังธรรมหือได้เปียงใจย่ำอ่อนน้อมใจจึนพร้อมดาฟัง ตั้งสาวร้านเล่แถวเท่ า, ทาตั้งแม่เนื้อหนุ่มเนาเล่ตั้งนางยานันตั้งลูกลานเด็กอ่อนตั้งเท่ามอนตาในมาฟังตู้ลานบรรยายทำข่ า, ขาวมีใจจึนยาวฟังดี แม่นว่าเราตั้งหลยได้นี้สิมึงกินมึงนอนตีเก่าเคยผูกเขาและแป้งสุนเราได้ผาสีตีตูนและตองกวางเราได้ผาสียังฮืนและบานมาไก เราได้พาสยังแม่ใสใจลาไว้ได้พาสยังปอกไทยสีมาไล้พาสีหมูมาได้เป็ดไก่ได้พาสีหอนตางอันเกยใตเงามอง ได้พาชียังบ้านจงเลจันวานได้พาเชียังพาลาลการเกยใบายมาอยู่เมืองไก่เล้วเดินอยู่เมืองเปินเสานวนหลางควันก็ซ้ำแป็นดีวนใจหนาเฮ็ดการก็ว่าเลยัง ตั้งแต่เจ้าตราบตาวันเลี้ยงหมหอยก้อเบาได้พวกมาหาหลุงน้อยน้อยยังเฮินตเต่าเหตุการณกลางเดินดาวตุองอยากมันสามารถลำบากมือไก่นำตาไหลอาบนาตุ้งเต่าฟ้าก้องเบามีภัยาัน หลังคนก็ลั่นกันเหตการก่อสร้างสองปาง้างเปยำเหือน้อยย่อยหลงห้ำสองนาแดดฮอนนาโกเบาไดเศรเฮงต่อใจแข็งต่อสู้พ่อไดอยู่เมืองไกจังเฮฉันไดหรือไดแตมว่าให้ก็บเบาออเป็นสิง หลางควันเหตุการมาตั้งลำบากได้เงินเบาหมากมีสามสี่ห้าพันตำรวจมาหันยำใดซ้ำเอาไทยตูขึ้นแป่นเมาบุญตุงควรนคำบาิีมาต่นก็เบาจังปึงยังไทย ลางคอนก็เป็นวาดเป็นไออยู่ในห้องเจ้าร้อนไม่เอาราูกาเป็นเจ็บหูมูตาก็เบามีไผอยู่เฝ้าเบาเหมือนอยู่กัาป่อแม่เจ้ายามวนเป็นดีวอนใจหนาปานเมือเฮาได้พาดสีมึง แต่บ่าเฮาตั้งหลายนั่นหนึ่งบ่ามาก็ยินอยากอยู่ฮืนก็เปินหาแต้แตงคอมแหงเราผู้ขาป่าได้ผาดป่อลุงเล่แม่ป่าเรามาเศ อ, อยู่เมืองลงนี่ดูหน้าก็บ่เหมือนฮืนเอาใดตุ้งเมาเอาไม่หรือใจ การงานใดตุงอยากหลังคนก็หากพบมาจีสิ่งเลอปุ๋ยนอศรัทธาตั้งหลาเอ้ยตุงคูรอย่าจาจาดแล้วเราเดวไข่อกผาสี้หังยันแม่เป็นเตวีบากเราไปหลัง จิงได้ผ่ามึงมาเป็นกว่างเมามึงเปินไกเลิ้วเลื่อนมึงนอนวาราวเราตั้งหลยแล้วไกยันสีก้อนลองผากูนอนหากว่างเมาจิงได้มาเป็นป่าปากำตีตุวเฮาจากนี้มาอยู่นี่ไกหึน่น ว่าราว่าเราทอตืนย้ายผากไปสิจากเมืองตอนเมื่อยมอ่อนกรรมมาตอนไหลใดจริงได้พายานมาจหารือสถาตั้งหลายเฮ้ยหนุ่มนาการตั้งดีนี่นาเฮ้ยได้คัดใจเนื้อเจ้าอย่าศสศกเศร้ามองใจ เอาไว้เป็นผ้าใจกำจ่วยเบาหือได้ตอกถอยขี้ผานื่นาบุญคุณตานไปปอกหอมได้อยู่รมกาญจน เมียนว่าต้องมาไกล่ลำบากต่างตานก็หากอย่าฮือหายไววันนี้สัทธาหลายตุงคู่ต่างก็ได้มาหลู่เตตานจุงฮือไวใจบ้านยุ่มกี่มาจูกันที่นี่ก็หลายปัน เรามาหันก็เป็นอันยินดีมากจากบ้านมาก็หากยังเบาเคยหันสถามีหลายปันพ้อมกูรวมกันอยู่ผามตานันตีศูนย์ปฏิบัติธรรมของสิบสามนี่ดูบ้านราเรนต่างคูก็ยินยอตานสิ่งเล สัทธาตั้งหลายเฮ้ยผู้ที่เป็นเจ้าภาพลางของก็อหาลางของก็อปาตั้งของ ต, ตั้งหลายมายอยยืนมาเก้ากินลุงไหลสัทธาไหลผู้เป็นหัวหนา้ากรรมการว่าตามมี มีตังสมจีเล่เจ้าบานจาเก่าตาลกอดไปหันไปในหมายมีผ้าคูบาวิสุทธิสุนทรนเป็นเก่าเงาตังลูกสิเจ้าตุกตันแป้นรีปันนำหมูปาสะท้าดูดูตันต หันปหนอกก็มีผู้ใจบ้านจังบอกย่องสองศอกมาตานมาเป็นกรรมาการสร้างเตียงสร้างแป้งแหงอารามเป็นกาตามตุ้งผูตานี้ก็รู้ใจบุญมาเป็นผู้จูนุนกำจอยตุ้งผู้ก่อยอยอตาน ไมามีป่อห้องผู้ใจบ้านเบ่าเศาเน้อหนุ่มเนา w ยัางงามเข้าปั้นกลางเบ่าเท่ามาเป็นเก้าสถานใจวรชุดนั้นนามีจือใจสือเตะ ม, มาตานเป็นรองพระทานก็เก่าดูเหมือนเบ่าอยังเล่า แม่ห้างเมาไข่ใดใจก็ปอดไปให้เตตานการะคันมารวอดใจทงชัยหอดแถวมาเป็นรองประธานีดูนาดังเก่าเนื้อเบาเศร้าขาวงาม ใจก็โยตานเบาไว้ตานปางนี้ก็ได้มารวมใจอุดมยอมตานดังเก่าแผ่นดิขานุกานเนอเบาเศร้ากุณยยงเปลี่ยงใจบ้านมาจ่วยตานนี้ก่อยมานอน ใจเสียงนั้นนาผู้ปากวอน ย, ยังขาดยังเ่ายังแป่นบเบาเหล่าลึงแป่นรองเรขามาตึงถึงอยู่พางตานีก็มาหลูรอมตาใจประสีผู้ใจบ้านกว้างใหญ่ปางตานีป่าปางตานีก็ได้มาตาน เป็นรองเฮรันยิงกาคานเบาแล้วปางตานอีก็เบากาดแก้วไปไหนมาตามเป็นขาใจคำจอยเบาได้ต๊ถอยแป็นดี ใจนิวัดเบาต้อขีย้ยาบจ้าตา น, นีกวาหันมาย่องซาสาต่างเก่ามาฟังธรรมพระเจ้ายามตานเป็นฝ่ายประชาสัมพันผู้ใจหวานดังอ้อยใจจงห้อยต่างบุญ นางชมพูก็เป็นผูจุนุนกำจอยจ้าอ่อนอ้อยสิงหวานขานกำได้เสียงหมุนตานี่ก็โดนเตียวมาเป็นฝ่ายประชาสัมพันดั่งเก่าใจเบาเศร้าขาวงาม ใจาอาภิวัตรผู้งามใจพายเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ดั่งเก่าตามนี้เข้ามารวมใจว่ารันชัยผู้สม ง, งามลำเจียนใจจบเมียนกองทรรมเป็นฝ่ายสังคมผู้ใจบอดำสักเตอร์ตามนี้เพอใจมา ใจหน่อคำผู้มีใจใส่สะท้าเบาขาดหอบเอาศาสตร์มานวนเป็นปายวัฒนาธรรมอันปาวนกุลเก่าตามอีเผาปืนดอง มหาใสผูใจสองไข่รู้ซ้ำเป็นผูตรังสินกินต้านเป็นเก้าเงาเป็นเจ้าฝ่ายการศึกษาลุมลาวใจใส่การศึกษาฮือสมไผยมานุรัม ภาสวัติตุยก็เป็นตอนอุดม้าเสดตานี้ก็เกิดยินดีนำศรัทธาแลสสมจิตตตอดไว้เป็นยอดนาบุญถ้านั้นมามีศรัทธาผู้จุนุนหลายผู้ตู้ลู ก, ก็เบาจางเก่าอู้หืฟัง ยังเหลือแทงน้ำก็มากมากรรมการต่างๆก็หาขันมีสธาดีตุ้งสวกตึงบ้านออกแล่นใหนวิ่งมาเป็นทิ้งขาเขามีตึงจิ้นและเล่าปูยามีตึงเข้าพื้นนาแคบใหญ่ตั้งใส่ลองพิกเจมิโว เขาซอยก็หันขายตีติ้นเคี้ยวเคี้ยวปุ่นอยู่แม่ก้าอยู่หันไหลตังยิ้งใจสาวแถวแม่หอนแถวสาว เ, า เ, เาาวล่าวบาวหันเมาไข่ได้ต่างผู้ก็มาปอดไปให้ตีตานสิ่งเล สถาตั้งหลายเฮยตุ้งผูเฮือได้รู้กองดีอันว่าการตา้านนี่นาตุ้งหนุ่มเท่ า, ายิงใจกนูนีแปงใจภายพ่องใส่ใจหลงกองดี มีตาหน้าคือตาเขานำเป็นตานตั้งอาหารเละสังเขาแกขวัญเท่าและขวัญอาณาถาแก่ปวรหาติปึงบ่ใดจุงหือปารีจากให้ตาไป หรือว่าหืตานแก่สมาณาสินใสก็ได้เตียงได้จิวะต่างบุญเสียงแล่ผ้ <c oughs> าการหนึ่งคือศีลอย่าบิดเบีอยา่าหลิงใจไปหาย่าคาซาดูกาแลเฮตือลำบากอยา่าได้จอกลาคุบจริงของ อย่าได้ปองใจบาปเล่นจู้จากภูมิตอนอย่าเป็นคนปากหลายจูเ้เหล่าายเบาตื้อเปียงอย่าจะแข็งซาห่างืดอย่าได้หลืดเขาไปหากินสุราอําเหล่าอย่าลืมด้วยอย่าเมา วาสุรานีนาเจ้าต่านเราไว้ยินมาป่องรอด้วยโลหิตาเลิอดสัตสีจำพวกคือหนึ่งเลือดนอกกินแล้วเบาหมอไว้ปากจ้าลายปอนตีอูเสิงมีพัมเรืนทุนสองเลือดงมูกินแล้วเดินเบาจำตัง ไปต่างควางกวนกุ้ยจางตะคหุยตะกรู้พอ่อย่างเหมือนงูหลืดลาดเมาเล้ยวก็ประหลาดไงหลังทวนสามมาป้องหลอด้วยเดิดมาเมาแล้วก็หาครอบเปินบานจ้าปากตางัง ง, ง ทวนสีมาปองรอด้วยเลิดลิง้งเมาแล้วเบาอยู่บ้านแอวต้องบ้านพัเจอยู่เอเซีเบาจอบเมาแล้วกอ่อกออกบ้านเหมือนลิงแหลนสถาต่างหลายเอยอยาผ่านเขาพีดเปิ่งเบากองทม เทียงอย่างหนึ่งคือการภาวนาอยาขาดเป็นการดูจิตใจเบาผ้ามาตมีสติการภาวนานี้ดูนาอยู่ตั้นใดก็อยัดใดคือการมีสติไว้กับตน สัทธาตั้งหลายเฮ้ยเราตูลูกก็หากติตีสนามายาวสิงบแปเฮาวผาเจี๊บนานนำก็กหนึ่งก็เบาหันมีสัทธาใดฟังดียาจ้าเอาสอนใจไปไปนาการยาจ้าอย่าใดเข้าไปหา การได้จบแม่ยนีในของตถาคตตาเจ้าจึงเเข้าไปหาต่อเน้อเราตู้ลูกหากเสีสนามายาวรังสาวงามแถยวเ ท, า, เ ท, า, เทาก็ป่อขางเหมยเขาแล่เจ็บขา ทีสุดท้ายนี่นาเราตู้ลูกจะปันป่วนแม่นบาสัทนานอนหลับก็หืดได้เงินหมื่นกันตื่นก็หืดได้เงินแสนแปนมือก็หืดได้เงินด้านขี่คันก็หืดได้แป้นดี คือสัทธามีตีปึงวันที่หนึ่งหวยออกก็ฮือเหมือน อ, อกวันที่สิมหอกหวยออกก็ฮือเหมือนใจอย่ามีภัยมานมาปาดตองในแห่งห้องสันดาน เสียงเราตุลานีนาสิ่งจาลดสิ่งจาลาดพ่อเปื้อพ่อแม่พากาดตอมหอนดินเสียงเราเบาเชิญฟังเหมือนเสิ่งแมงวางเสียงเราก็เบากวางเหมือนดังมาหาพคม เสียงเราก็เบากำเหมือนดังนกการาปินทูน้อยๆจังใส่ซอยก็โยวาจังนั้นจังใส่สารไปก็คูมันลาตู้ลูกก็ขออำลาพ่อลุงเล่แม่ป้าลาหองก็สาเรเจ้าบูรามน์กาลาคุณเต่านี้ก่อนเล่